ปฏิบัติให้พวกเราฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่26สิงหาคม2029ตรงกับปัญแลม7คําเดือน9จะไม่เดนะือน9หรือไม่นนี่อเดือน9ดังนั้นผมได้มาที่วัดเรา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 ไม่รู้ก็ทำไปแล้วก็แสดงว่ามีประโยชน์น้อยแม้การรักษาศินก็เส้นเดียวกันรักษาศินห้ารักษาศินแปดรักษาสินสิบรักษาศินสองร้อยยี่สิบเสินทีจุนีสินสามร้อยสิบอ็ตัวรักษาประโยชน์แต่ไม่รู้จักที่จบที่สิน้นก็แสดงว่าการรักษาศินนั้นก็นยังไม่สมบูรณ์ปีนั้น ดังนั้นการเจริญกรรมฐานเม้่จะเจริญพุโทโธก็ตามสัมมาอรหังก็ตามพองยุกก็ตามนับหนึ่งสองสามก็ตามอาณาปานสติก็ตามถ้าหากเรายังทําลายข่มหลงผิดไม่ได้ข่มสงบนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ข่มสงบนั้นสงบแบบไม่รู้หยิบอย่างหนึง่งจึงบอกว่าไม่สมบูรณ์ถ้าสงบแบบไม่รู้ก็แสดงว่าไม่สมบูรณ์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 นึอสอนให้เรามีสติตั้งมั่นหรือนือสอนให้เราเป็นอะไรเราจะได้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เป็นคำพูดเล้าเรื่องให้ฟังดังนั้นวิธีการทำแบบ น, นี้ทำถูกก็ไม่ยากถ้าทำไม่ถูกก็เสียเวลาคนโบราณบ้านผมหรือบ้านหลงพ่อบอกว่าทางก้วงยาวไกลไปไม่ถึงคนไม่มีปัญญาไปไม่ถึง เสียเว ล, เวลาไั่ได้ทางกอ้วงยาวไกลไปให้ถึงท้านจีวะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานก็เป็นสมบัติของมนุษย์นี่เองถ้าเราไม่รู้ทางเดินแล้วไปหานิพานไปเอาสวรรค์ก็จะนึงไปไม่ถึงเลยถ้าคนสลาดบันเนี่ยเอาสวรรค์เอานิพานมาใช้อยู่กับชีวิตของเรานท่านจีวา ทางก่วงเหยาวไกลไปไม่ถึงไปไม่ถึงก็แสดงว่าเราเอาสวรรค์เอานิพ v a n มาใช้กับตนกับตัวไม่ได้เดี๋ยวไปไม่ถึงไปทางก่วงเหยาวไกลไปถึงแสดงว่าเราไปถึงแล้วเอาสวรรค์เอานิพ v a n มาใช้กับชีวิต จ, จิตใจของเราอยู่แล้วนี่นะครับเส่นให้ทานประปรามธนาเอาสวารรค์ n นิพ a n a รักษาศีลก็ะปรามธนาเอาสวารรค์ n i r v พาน ทำกรรมาฐานหรือจเจริญวิปัสสนา็พราปัฐานาเอาสวรรค์ในพานที่มันกว้างหลายวิธีใครทำอย่างใดถูกทั้งนั้นถูกตามความคิดของตัวเองแต่ว่ามันไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดังนั้นแม่หาเงินมามากๆอย่างที่อาจารย์สุสีกับอาจารย์มาธนานได้ปริยาตโทใช่หมได้ปรยิยัติโทก็ยังมีความทุกข์อยู่ใช่ไหม เปลีนความทุกข์ความทุกข์นั่นจึงไม่ยกเว้นใคทั้งหมดเลยจะเรียนหนังสือปริญาตีปริญาโถปริยาเอกมาก็ตามความทุกข์นั้นน่ะมันต้องติดตามบีบคั้นเราได้เดี๋ยวความขัดใจขัดใจก็บเปรียบุกแล้วนี่มันบัด น, นี้คนมีเงินมากๆ ม, มีเงินร้อยพันหมื่นแสนล้านมีความทุกข์ก็มีเปลี่ยน ตอนนี้คนไม่มีเงินไม่มีคมรู้ธรรมดาอย่างที่บ้านเราอย่างที่อำเภอปักสมเนี่ยคนรุ่นคนก่อนนึกเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังมีความทุกข์เช่นเดียวกันไม่เป็นอย่างไั้นี่ยความทุกข์นี่จริงไม่ยกเว้นใครทั้งหมดจะเป็นคนศาตรใดภาษาใดถือศาสนาใดก็ตามมันไม่ญ่าทไม่โกรวมันญ่ามันกลัวแต่เฉพาะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า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 ความทุกข์มันไม่มารบ ก, กวนในขณะใดเวลาใดเราไม่รู้สึกตัวทุกข์มันเข้ามารบ ก, กวนเนปีนี้จริงว่าให้การให้มีแนววิธีการจเจริญสติคําว่าจเจริญสตินี่กับผมรู้สึกตัวเป็นอันเดียวัสติก็าไปวัดแล้วได้สัมปาชญะผมรู้ตัวบัดนี้เราไม่ได้พูดตามภาษาตัวหนังสือ ไม่ได้พูดตามภาษาบาลีพูดตามภาษาพื้นบ้านไงวะ่ะให้รู้กายรู้กายก็คือรูปนั่นเองรู้ใจใจคือมันนึกมันคิดนั่นเองรู้กายเป็นใหญ่ในกายเอาสะนะกายให้มันได้รู้ใจเป็นใหญ่ในใจเอาสะนะใจให้มันได้ก่อนที่จะเอาสะนะได้ทำยังไงแล้วก่อสร้างจังหวะ การสร้างจังหวะนี่มันไปตรง อ, อกกับคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้สี่อย่างนี้นอกจากนั้นท่านก็ยังแนะนําให้เรามีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยหูเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามคําว่า สติเข้าไปกําหนดรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยทุกอิริยาบถทีเดียวจากพิษตาก็ให้รู้เลือดท้ายแลหัวก็ให้รู้ก้มเงยก็ให้รู้เอียงท้ายเอียงหัวก็ให้รู้กืนน้ําลายก็ให้รู้หายใจก็ให้รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้ที่ท่านสอนของมรารู้แล้วมีความหมายอย่างไรจะได้ประโยชน์อะไร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 เป็นเตจก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรากายก็ได้ท่านว่าในขณะธรรมพูดคิดไม่รู้สึกตัวนั่นเนีเ่ยท่านนี่ว่าคนลืมตัวสัตว์เดลสารเนี่ยมันอยากทําอะไรมันทําไปมันอยากพูดอะไรมันพูดไปเพราะมันไม่มีสัญญามันไม่มีคมละอายนั่นเองคนไม่รู้สึกตัวนั้นจิตวธรรมพูดคิดไม่รู้สึกตัวไม่รู้ส ใจิตใจตัวเองกระทับไปตามอารมณ์แต่แขงขาหน้าตามือเท้าเป็นงปจิตใจอาจเป็นสัตว์เนรสารก็ได้เป็นเปรก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรก า, ายก็ได้จิ๋วคนมีตาทิพย์จึงเห็นสิ่งนี้คนไม่มีตาทิพย์ไม่เห็นเลยจิ๋วเราเคยเห็นผีไหมไอ้ผีบอกผีเคยได้ยินบ้างไหมเออเคยได้ยินนะหลวงพ่อเคยได้ยินนะ เคยได้ยินไหมพวกพวกมไม่ยุ่ได้ยินไหมเคยได้ยินเนี่ยคนนี้คือเทวดาแท้เนี่ย <c oughs> เคยได้ยินบ้างไห้อย่าง <c oughs> เคยได้ยินแต่เราเห็นเทวดาไมหมเนาะเห็นไหมเห็นเทวดาไม่เคยเห็นผีเคยเห็นไหมผีก็ไม่เคยเห็นเนี่ยคนไม่มีตาที่จึงเห็นไม่ได้ คนเมตตาทิพยังเห็นคนวะได้ดวงตาเห็นธรรมผีคขาว่าคือคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเห็นหน้าผู้หญิงอีนางนี่คือผีเนี่ยมันคือผีแต่แขงขาหน้าตามือเท้ามันเป็นคนใจมันเป็นผียิ่งแบ่งเป็นสองภาพเมื่อใจเป็นผีร่างกายยังเป็นคนใจเป็นผีแล้วมันทำพูดคิดไป่รู้จักอายจิตใจเป็นสติรสารตัวยังเป็นคนอยู่เนี่ยเป็น เมื่อจิตใจมันร <the> ้อนรนบ่เนี่ยจิตใจไปตกนอนลกแล้วบ่เนี่ยคนยังลุงลูกชายยังเป็นคนอยู่เนยจิตไม่พอบ่เนี่ยได้ไม่พอบ่เนี้ยจิตใจเป็นเปรวบ่เนี้ร่างกายยังเป็นคนอยู่คนมีตาทิพย์จึงเห็นจิตเห็นใจถ้านเห็นจิตเห็นใจตัวเองบัดนี้คนใดทําพูดคิดรู้สึกตัวเองมีความละอายแก่กายเพื่อนทุกคนและมีความละอายแก่ใจ ก็เป็นเทวดาได้แล้วเทวดาที่ว่ามีหินนี้คมละอายแก่ใจคนได้ทําพูดคิดรู้จักจิตตัวเองนั่นแหละเป็นเทวดาขึ้นมาคนมีตาเทิศจึงเห็นเทวดาดังนั้นคนเราเกิดมาต้องรู้จักเคารพ บ, บิดามารดาบิดามารดาบ้านหลวงคนเดียวพ่อแม่แล้วก็ให้รู้จักเคารพพี่พี่ว่าเป็นผู้เกิดคนเราน้องมาเนเกิดหลังเรา เลือกเคารพตัวเองเป็ น, เ, นเมื่อรู้จักเคารพบิดามารดาเคารพครูอาจารย์เลือกเคารพเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านน่ะเคารพคนอื่นนั้นะ่ะเพียงยกมือไหว้จิตใจอาจจะดุร้ายคนนี้เนี่ยถ้ายกมือไหว้ตัวเองแล้วบป็นในขณะนี้เรากําลังยกมือไหว้ตัวเองทําดีพูดดีคิดดีก็เป็นการยกมือไหว้คนทั่วไปพอแม่เราจะอยู่ที่ตัวเรา พี่ซ้ายเราก็อยู่ที่ตัวเราน้องเราก็คือคือตัวเราตัวเราก็คือเพื่อนฝู้ตัวเรานัในเองเจ่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครคือคนธรรมดานั่นเองเจ้าคันคนไปกโกรธคนไปนด่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปกโกรธพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่งไร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 จิงว่าไปตามใจเลยใจเป็นสัตว์มันก็ต้องตายปกับเป็นสัตว์จิ้ว่าสั ต, สตว์ในรัศสารเราเคยเห็นไหมบ้านหลวงพ่อแถวนี้ละถามหลวงพ่อเรื่ก็รู้จักทันทีเนี่ยหลวงพ่อเคยเห็นควายกินนมแม่เป็นบ้างไหมเห็นนะตัวหมากินนมแม่เป็นบ้างไหมตัวหมูมันกินนมแม่มันโตหมาหมูงัวควายบ้านหลวงพ่อกินนมแม่มันคนก็ต้องกินนมแม่มันบ้างเนี่ย ในขณะหมาเนี่ยมันอยู่นมแม่มันกินนมแม่มันใหญ่ขึ้นมามันไม่รู้แม่มันเลยมันกัดแม่มันก็ได้บางทีโยนเข้าให้กินแม่มันไปแย่งสิมันก็กัดแม่มันเลยนี่มันไม่รู้จักคนได้ไปอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนนั่นน่ะแต่แขงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจเป็นสติลศาสตร์เป็นอย่างนั้นตงูโตคุ้ยก็เหมือนกันเมื่อในขณะมันกินนมแม่มันมันก็ห้องกินนมแม่มันไปใหญ่ขึ้นมาแล้ว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 พูดคิดอะไรตัวเองทั้งนั้นจึงว่าคนมีผมทุกข์นะจึงว่ะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีแต่ทุกข์ทั้งมเมื่อเราเออสภาพร่างกายนี่เป็นอย่างนี้นะจิตใจนี่เป็นยังไงร่างกายไม่รู้ตายแล้วเอาไปจุดไฟรอนมันก็ไม่ว่าเลยเคยได้ยินบ้างไหมหลวงพอ่อคนตายแล้วเอาขึ้นของคนมันว่าลองไหมไม่ลองนะเออไม่ลองวันนี้คนตายแล้วเอาไปฝังดิน เอดินกบหน้ามาันมันเคยร้องว่าหายใจฟืดได้เนีน่ยเคยได้ยินบ้างไหม <S <S ไม่ได้ยินนี่สแสดงว่าร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแผควงไว้อย่างที่ว่าแพเนี่ยเราพายคาบน้ําไปแล้วเราไม่ต้องแบกแพ่ขึ้นไปบนบกแพ่ต้องที่ยงไว้เลยเราเดินไปแต่คนเดียวดังนั้นร่างกายเนี่ยจริงไหมไม่รู้สึกใจคนเดียวมันรู้ตาเห็นอย่างเนี้ยตามันว่างงานไม่ใจมันว่างงามตาเห็นเนี่ย มันไม่งามใจมันไม่วาเลยเออตามมนไม่ว่าเล ย, เาาเลยใจมันว่าเองหูฟังเสียงมันเนี่ยหูมันว่าเพาะไม่เพาะไหมมันไม่รู้เลยใจมันรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะเบี้ยให้ลู้กายรู้ใจกายกับใจได้แยกกันไม่ได้แย่ง ก, กันเมื่อใดก็เสีว่าตายเมื่อนั้นนะเจ่ว่าเข้าถึงธรรมะเข้าถึงอะไรก่อนเข้าถึงรูปรูปนี้มองเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นเลย เข้าถึงน้ำน้ําคือจิตใจนึกคิดต้องเข้าถึงสองอย่างนี้เข้าถึงรูปเข้าถึงน้ำรูปทําน้ำทําเนี่ยรูปนี้เองทําดีรูปนี้เองทําชั่วรูปนี้เองไม่ทําดีไม่ทําชั่วรูปเป็นคนทําใจเป็นคนสั่งดังนั้นเมื่อใจสั่งแล้วเนะ่ยต้องเห็ น, นรูปทําน้ำทํารูปโลกน้ำโลกโลกนี้มีแต่กคมทุกโคมเดือดร้อนโลกยังมีสองอย่าง เกิดมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องเจ็บแขงเจ็บขาเนี่ยโรคอันนี้เรียวกว่าโรคทางกายโรคทางวัตถุกันว้เลยโรคทางใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจขัดใจไม่ขัดใจโลกอันนั้นเรียวกว่าโรคทางจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งสิง้สอนให้คนรู้ใจตัวเองอย่าไปรู้ใจคนอื่นไม่ได้กันส่วนนั้นเมื่อรู้จักรู้โล ก, โลกนามรู้แล้วก็รู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตา แต่ในตำรับตาาําราธงหมดทุกผมงอกฟันหักอันนั้นมันเป็นทุกเรื่องสมมุติทุกขังอนิจจังอนัตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้ในอินทรียบททั้งสี่และเรียบบุย่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาสัมผัสรู้ในอิรยียบุตรจะได้รู้ว่าในอิรียบททุกอิรียบทตนั้นเป็นตัวทุกข์กันว่าจ๊อทุกเมื่อเห็นทุกข์เราเราก็ไม่ต้องการมาเกิดเป็นคุณ ไม่ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการมาแล้วมันพุกดังนั้นคนทําบุญจีวะปาถนาเอาวรสานนิพพานทําบุญมากๆตายแล้วไปเกิดสวรรค์ตายแล้วไปเกิดในพานเมือบุญอันนั้นกลับมาเกิดเป็นคนคนนั้นรู้ธรรมะไหมรู้รู้ธรรมะแบบไม่รู้อันนึรู้ธรรมะแบบตามตามกันมามพ่อแม่ปู่ยา่าตายายพูดตามกันมาไม่รู้แก้ไม่รู้จริง คนนี่จริงปเปรียบกัประมาณแล้วเหมือนกับอยู่ในถ้าถ้าเนี่ยมืดมิดมานานแสนนานล้านปีสองล้านปีเนื้อจากสิบล้านปีมันก็มืดอยู่อย่างนั้นคนนี่ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดมันก็มืดตื้ออยู่อย่างนั้นเมื่อเราไม่ออกจากถ้ำไจแล้วมันก็ต้องมืดอยู่อย่างนั้นคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราไม่ออกจากโทสะโมหะโลภะแล้ว หลงหลือมือตื้ออยู่ในจิตใจอย่างนั้นทําดังนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ก็รู้จักสมมุติเนี่ยรู้จักสมมติไอ้ผีเนี่ยตัวคนมันไม่เป็นผีใจมันเป็นผีถ้าเป็นผู้ยิงอินังนี่คือผีเนี่ยตัวคนมันไม่เป็นใจมันเป็นเ น, นี่ยบัด น, นี่พระเนนได้บัดเนี่ยเนี่ยพระเนนองนี้ก็เนี่ยใจร้ายคือผีทําซั่วคือผีเนี่ยพระเนี่ก็เป็นผีมันเป็นสมมุติอันนี้จังหวะ สมมุติกะเทวดาอุปติกาเทวดาวิสุทธิเทวดามันพูกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองสมมุติขึ้นมาว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเขายกน้องขึ้นแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเทวดาโดยสมมุติเขาว่าอย่างนั้นบัดนี้อุปติกาเทวดาเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นครูโรงเรียนเอ๊เราไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรพูดอย่างนี้ดูแ ล, ลาราชฎรโหมทุกสุขให้สมมั่งเสมอมือ่อไง มันนี้เป็นครูโรงเรียนก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องสอนตามหน้าที่ของเขาเรียกว่าอุปติกาเทวราคือใจิตใจมันเป็นเป็นตำรวจทหารเป็นครูปศบาลเป็นผู้ให ญ, ญ่บ้านกำนันเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้โดยสมยยสมุติยึ่งให้รู้จักสมมุติอุปติกาเทวราคือใจมันเปนใจมันเป็นยวิสุทธิเทวดาวิสุทธิคือใจิตใจบริสุทธิ์ใจิตใจไม่เศร้หมอง เรียกว่าจิตใจเป็นอิสระแท้ะว่าคำว่าอิสระไม่ใช่ว่า ว่าคนที่เกิดมาต้องศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของคนให้รู้จักควมเป็นคนคนค น, นี้รู้จักว่าเรามีหน้าที่ของคนเราก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเราก็เป็นคนบันนี้เราเห็นคนปฏิบัติให้คนเป็นเทวดาก็ได้ปฏิบัติให้เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้ที่สุดปฏิบัติให้เป็นพระเรียบบุคคลก็ได้ก็แสดงว่าเห็นศาสนา รู้ศาสนาเขารู้สมมุติจริงแล้วมันเป็นเพียงสมมุติรู้เท่านั้นเองสมมุติเอาสวรรค์นี่ผ่านก็สมมุติเอาเทวดาก็สมมุติเอาผีก็สมมติเอาคนไม่มีตาเท็จจริงมองเห็นะเดี๋ยวคงกลัวผีครับผีเนี่ยมันถือกันมาตั้งแต่โบราณแสนปีหรือจากสิบล้านปีสิบแสนปีแล้วค่ะไม่รู้มันถือกันมาอย่างไงเพราะกลัวผีคนกลัวผีจิตใจเป็นยังไง เอานี่สมมุติเอานะนี่ไม่ใช่เป็นของจริงพูดให้ฟังแต่ว่าคนใดโกรธแล้วคนได้ไม่พอใจแล้วก็คนนั้นทุกทันทีนะเราเคยเห็นสุนัขไหมสุนัขหมาเนี่ยมันเข้าไปปาซ่ามันได้กลัวเลยไปเมื่อคืนมันก็ได้เมื่อเย็นมันก็ได้มันไปโกยเอาคนตายแล้วขึ้นมากัดจริงเลยคนเนี่ยเข้าไปปาซ่ากลัวแล้วหมากับคนใครใจใจสูงกว่ากันใครใจใจิตใจเข้มแข็งกว่ากันเราคิดอย่างนี้ก็คิดได้ตัวผมเอง เรียนมนเรียนคาถากันผีกันมีดกันปืนมีดฟันไม่เข้าปืนยิงไม่ออกเนี่ยไปเฮีย น, นันยคบุญมาตอนพงสมัยนั้นมันไปเมืองลาวได้สบายเนยไโยนอมทุลีทุลีอะไรสนคอกูมีแผ่นทองตั้งพา้าไรสันไปปฏิบัติทำความรู้สึกตัวรูปองขอตัวว่ามีะตะโกใจเลยตะโนแต่หมวกกูตายเลยสมมุตินี่ว่า เครื่องรางของขังกระตุดมนหยังการปลุกเสกมีไว้เพื่ออะไรมีไว้สําหรับหลอกล่อคนหลอกให้คนโง่ลงไปคนสลาศเขาไม่เสื้อแล้วหลวงพ่อไม่เสื้อเลยตั้งแต่วันนั้นคนแข้งกูท่อหนามขาคนแข้งม่ใช่ท่ออะไรลมพัดกระปิวนี่นะคนขาท่อขนเม่นเลยกูจยากเต้นไปได้หอ ย, ยดพันวาพัญ า, ามนเนยเลยจะมากราบมาไหวกูเลยตีนแกนปันหิน หนาพาคแก่ปัญหินเตียนแกนปอดเยียบน้นาก็เข้าไม่ปักหน้าผากาามันสมมุติอย่างวะให้รู้จักสมมุติจริงๆนี่แหละคนไปถือเครื่องรางของขังการปลุกเสกเลืกงามงามดีคาถาสา ร, ริกาลินทองอะไรสนมสเสน่นั่นนะว่ามันดีดีมีไว้สำหรับหลอกคนเท่านั้นเองคนใดงกก็ต้องเสื่อไปอย่างนั้นก่อนเพราะมันไม่มีที่พึ่งเนว ย, ยังนั้น คนสลาแล้วเขาจะไปซื้อถืออย่างนั้นทำดีมันดีทําชั่วมันชั่วเพราะจิตใจมันดีจึงทําดีได้จิตใจมันชั่วมันจึงทําชั่วได้ดังนั้นเมื่อรู้จักสมมุติรู้จักศากสานาศาสนาคือตัวคนนี่เองเนี่เขาใจเย็ น, นไม่ใช่ว่าศาสนาคือวัดคือพระพุทธรูปอันนั้นศาสนาสมมตุติพุทธศาสนาคืออะไรไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่อะไรทั้งหมด พระแปลวผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบาลด้วยธรรมเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องไม่เสื้อไขทั้งหมดเลยบาปคือมือมืดอยู่ในถ้ำนั้นเองท่นวันบุญก็ออกจากถ้ำได้เพราะเรามีไม้คิดไฟมีเทียนจุดไม้คิดไฟขึ้นมาใต้เทียนเราก็ไปได้สบายไปในถ้ำออกจากถ้ำได้คนที่ไม่มีไม้คิดไฟไม่มีเทียนในมือก็เดินวก ว, ง ว, งวง น, น, นอยู่ในถ้ำเหมัอนเดิมว่าให้ทาน ทานแล้วทานทานแล้วทานปัถนาเอาสวรรค์นิพานรักษาศีลรักษาวันนี้รักษาไปไม่มีการสิ้นจบเลยคนไม่สิ้นไม่จบวัดตะสงสารยืนยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมเห็นว่านั้นคนบบราณท่านสอนอย่างนี้จึงว่าทางยาวไกลไปไม่ถึงเพราะยังไปปารถนาตายแล้วจึงอาสวรรค์ตายแล้วจึ ง, อ า, าาจงอานิพานแล้วมันจะได้ทํำไมบ้านหนวงพอ่อ สุดทิศนางวัตเมทานางสหลุงพ่อเองที่นคนพูดกันทำบุญข้างไหนก็ต้องไว้เนี่ยสุดทิศนางวัตเมทานางอาสาวกยาวังหงโหตูข้าพระเจ้ายินดีในทานการถวายของข้าพระเจ้านี้จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสวะของกิเลสเครื่องดองสันดานท่านกล่าวว่าพระนิพพานาพในอนาคตจะการเบื้องหน้านนท์ถึตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแ ล, ยล้วจะเอาเดีพ่านกิเลส ก, ก็เหมือนการตายแลย้วจึงจละเนี่ยมันเข้าใจมันต้องละเดียวนี้ หลวงพ่อเห็นบ้านหลวงพ่อบ้านปักสมมันก็จะเหมือนกันนะเข้าใจอย่างนั้นเอาเองนั่นคนตายแล้วนีจีบมากให้มวลบุรีให้เอาไปกองผนเอาอยัางไปให้เขาก อ, องผนเคยเห็นบ้านหลวงพอมีไห ม, มเนี่ยแล้วมันจะหมดทําไมอย่างนั้นแล้วปาร์ทหน้มันหมด ม, มดนันจะหมดเราต้องเลิกเอาที่เราไม่เลิกให้ผีมาเลิกให้เราได้ไหมมันไม่หมดเลยคนเจ็บไายได้ป่วยบ้านหลวงพ่อถ้าเป็นผู้หญิงลูกเอาข้าวอ่อ น, ออน จะปิ้งปลาดีๆไปให้กินกินไม่แม่เคำนี้ไม่ให้เป็นนะเข้าอ่อนๆปลาดีๆปิ้งร้อนๆไม่กินไม่ได้เม่ยกินไม่ได้แค่มาจากขาแม่แม่เอามาลองดูนี่นี่มันเป็นอยังไงตัดกระจุกกระจุกคันลาทำนะี่เป็นอย่างไหเนี่ยมีแหงหน่อยผลที่สุดตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะก็คือกันเอาจริงเข้าไปเพราะกินไม่ได้พอมือหลาย ซูบยาจับมูลว่าพอ่อเอามารอให้พอดูซูบยาเข้าไปมีแฮงจากน้อยมันจะมีแหงทําไมลนศาสตร์ของมัน้นนผลที่สุขก็ตายเลยเพราะไม่รู้นั่นเองอันนี้นํามาเตือนกันวิธีปฏิบัติละข่มชั่วปฏิบัติให้มีความดีก้าวหน้าขึ้นอันนี้เราไม่เลิกข่มชั่วมันจะดีทำไมเ น, นี่ยสัตว์เน ร, รนัศมีมันไม่รู้จักแม่มันมันไม่รู้จักพ่อมันมันอยากทำอะไรมันก็ทําไป เนี่ยเขาว่าคนค้านั้นกขาว่าเป็นคนป่าถือาศาสนาไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นดังนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยผู้ทุกคมจิงใจเ<ม>พราะว่าที่นี่เป็นสํานักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อเพียรเนี่ยเป็นรุนพี่นั่นเนี่ยแต่สมัยเป็นพระหลวงพ่อ เ, เป็นเนนเน้นบนหลวงพ่อเออแล้วกลับมาปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอีกแล้วเป็ปฏิบัติแต่วหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่เป็นเป็นพี่สายไหย ตำลุงเรื่องคุณนานี่นี้เป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อแต่ข่าวนั้นหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นเป็นครูาผมเป็นเนตมนรมาลูธรรมมาแล้วหลวงพอ่อเป็นโยมหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อนี่เป็นพระไปปฏิบัติธรรมมาเยอะมันกลับกันไปกันกลับกันไปกันมาจิว่ารธรรมนั้นจิว่าคือคนทุกคนปฏิบัติถ้าหากเราไม่ปฏิบัติให้มันรู้จริงๆแล้วมันจะเสียเวลาจิว่าปฏิบัติรู้อย่างนี้มันยังไม่รู้เรื่องวิปัสสนู ลิปบาลัดจินตญาณยังไม่รู้เราต้องมาปฏิบัติให้มันมีความสัมผัสแนบแน่นกับคมนึกคมคิดให้มันมีความรู้สึกตัวเป็นอนัตตามันเห็นผีเห็นเทวดาในมันให้มันรู้สึกตัวพอที่มันคิดปึ๊บให้มันดูกับมมผมรู้สึกว่า น, นี้พอที่มันคิดอย่าไปกับคมคิดเพราะคมคิดมันจะดึงเราไปคนไม่รู้จักความคิดคิดไปบางคนนอนไม่หลับแต่เอาอยาละงับประสาทมา ก, กินเป็นบ้า วันนี้จะเทียบตัวนห้ฟังนะคนมีเงินมากกับคนจนใครตายหลายเท่ากันจะตายเท่ากันทางตายนะทุกคนตายเ <varit> มื่อเทียบตัวแล้วคนมีเงินมากค่าตัวตายมากกว่าคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินเนี่ยไม่ค่อยเอาปืนยิงโตตาย Jean <gy un> หรอกไม่ค่อยกินยาตายคนมีเงินเนี่ยเอาปืนยิงโตตายเนี่ยกินยาตายคนมีเงินก็ตายหลายกว่าคนไม่มีเงินเพราะคนมีเงินมันคิดมากเลยทีบบว่าแสดงว่าเงินมันซวยไม่ได้ ชวยไม่ได้จริงๆคนเรียนหนังสือมากๆก็เหมือนกันหลวงพ่ออยู่วัดสนามหนคนหนึ่งเรียนหนังสือจบปริญญาโทมาจากอเมริกามาทํางานธนาคารไม่รู้คิดไปคิดมาเป็นบ้าเป็นนอนไม่หลับเลยพี่ๆเดานอไปหารักษามันไม่หายเอาน้ามนมาลดมันเย็นตั้งแต่ใจเย็นตั้งแต่ลูกร่างภายนอกด้วใจมันร้อนนอนไม่หลับเอามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีมนล็อกไม่ได้ปุกล็อกปกคนนะ่ะเดี๋ยวพูดให้รู้สึก วคุณคุณคิดให้รู้สึกตัวมาทำคมรู้สึกตัวอยู่ไม่เกินสิบห้าวันหายเลยไปทำงานธนาคารได้เหมือนเดิมไปให้คนที่ลึกงามงามดีปลุกเสกคาถมขาถาลดน้ำมนต์ไม่หายเลยตั้งหกเดือนเนี่ยไม่เป็นอย่างไ น, นอันนั้นมีสำหรับหลอกคนโ ง, ง่คนไม่ชอบคนโ ง, ง่เท่านั้นเองพูดความจริงให้ฟังไม่เอาจริงคนมันชอบคมโง่ชอบค ม, มรอกคมลวง มันจึงมีผีมากไหว้ผีมากลดน้ำมนที่นั้นที่นี่มันไม่รู้พระพุทธเจ้ามงคนสามสิบแปดเนี่ยเรารู้ดิอะเสบนาจะพาลานังบัณฑิตานังจานเสบนาปูซาจัปปูสานิญานางเอตัมมังคะละมุตตะมังเนี่ยมงคนข้อที่หนเราไม่รู้อ่ะเสบนาจะพาลานังหมายถึงคุณผ่านคนกินเหล้าเล่นการพา น, นัน เที่ยวกลางคืนคบคุณซัวเป็นมีรเกียร์ค้านการงานอันนั้นคนผ่านภายนอกได้นี่ยเราเรีบมันได้สบายคนผ่านภายในคือใครอันนี้คือเจ้าโมหัมเจ้าโทสะเจ้าโลพ น, นี่เองคนผ่านภายในเรากะยุกคนผ่านเราจะไปหนีคนผาน่า น, นผานได้ทําไมวันนี้นี่เองหลวงพ่อมาทับอิ่งขวรคนนั้นเขาเรียนแพทย์แพทย์ทําฟันทําฟันนี่เขาว่าอย่างไรทันตแพทย์นี่เขาว่า ออกมาออกคีวบิดเลยแม่ผมทําชั่วแล้วเดี๋ยวนี้ครับทําไปทําชั่วคุณรู้ไหมผมรู้รู้แล้วคุณไม่รู้เนอคุณรู้ทําคุณรู้แล้วคุณทําคุณจะรู้ทําไมขวัญรู้เข้าไปทําไม่ใช่รู้เลิกไม่ใช่ดูนี้แต่พ่อนผมไม่ทําผมไม่ลินเบี้ยไม่ล่นไพร์ไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราไม่คบเพื่อนคนที่เลวเดี๋ยวนี้ผมดื่มสุราแล้วเด็ดเนี่ยเล่นการพนันที่วกลางคืนคบคนที่ไม่ดีกัน ผมรู้แต่ผมทําำไมจะเลิกไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นคุณไม่รู้คุณรู้ทวาวะคันไม่ทํามันยั่นกลัวมูจะเสียใจเน่ตัวเองเสียไม่รู้สึกตัวอย่าไปกลัวยั่นเสียใจคนพูดไม่กลัวตัวเสียไปเลยไม่กลัวแสดงว่าคนคนนั้นจะเป็นคนมีปัญญาไหมเรียนจนจบทันตแทยแล้วนะคนนั้นยังไม่สลาดสู้หลวงพ่อเขียนหนังสือไม่ได้สลาดจริงๆรงนะนั่นนี่หลวงพ่อไม่ทําก็เลยให้คอคิดเับคุณวะ คุณจะไปเกงคนอื่นเสียใจทําไมคุณเกงคุณเสียคนนี่วะเพื่อนมาส่วนไม่ไปมันจะเสียใจคุณก็ต้องมีนโยบายที่วะโอ้ะวันนี้หนีเท่าละขัดข้องจําเป็นครับไปคนเถอะผู้นี้เขาไปเราตัวมันเสียสมันจะเสียสัตย์ทําไมอันนั่นแหละสัจจะไม่รู้จริงใช่วหมเสียสัตย์กลัวยันเสียสัตย์อันนั้นพระพุทธเจ้ากลัวสมบัติความเป็นมนุษย์จะหนี้ท่านได้ว่าเสียสัตย์เสียคนเป็นมนุษย์อันนั้นไม่ใช่มนุษย์ ัน น, นเขาว่าผีขบักผีเนี่ยคันเป็นผู้สัตวันผู้ที่เขาอีผีทําไม่ดีผู้เป็นมันจะเป็นสัตว์ได้ยังไงอันนั้นแล้วว่าสัจจะของคนไม่รู้ถ้าเป็นสัจจะของคนรู้ถึงว่าสัจจะคือขมีอ้วจะเสียสมบัติควมเป็นมนุษย์อ้วจะเสียสมบัติควมเป็นเทวดาอ้วจะเสียสมบัติควมเป็นอินทรคนุป กลัวจะเสียควัญเป็นพระธรรมบุคคลอันนี้คนอ น, นสัจจะแล้วอของจริงนั่นไงยางไงอันนั้นไม่กลัวเลยอันนี้กลัวยันมูดเสียใจนึ่มันผิดกันจริงว่าสมมุติให้ฟังแต่มันไม่รู้จักอยู่าคนไม่รู้จักจะรู้จักไม่ไม่รู้จริงว่าอะเสวนาจะพาลานังพาลาเป็นคณพานอ่เสวนาเป็ว่าดูด้วยกินด้วยอ่เสวนาจะพาลาแต่พาลาคนผ่านภายนอกเราดิได้ง่ายๆ ค น, นภายในนี่เราไม่หลุดตวดัวนีไม่ได้วันนี้เบัณฑิตภายนอกบัณฑิตการนังจาเจวันนาปูสาจสาปูซาเนี่ยนั้นเอตัมมังคงารมุตตัมมังเป็นมงคลเนี่ยได้ไปพบอย่างที่พูดวันนี้เนี่ยเรียนจบทันแพทย์ไปจบเรียนประโยคเก้ากว่าสามอย่างที่พูดแล้วก็ขออภัยนะอย่างพวะอาจารย์สุสีอาจารย์มัทนาเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นปริญญาเนี่ยเป็นบัณฑิตบัณฑิตอันนนก็นดีไม่ใช่ไม่ดี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 ถ้าเดินทางให้ถูกมันก็ถึงถ้าเดินทางไม่ถูกมันไม่ถึงดังนั้นผ่าสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมมาปฏิบัติธรรม ก, ก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติให้ดูจิตดูใจมันนึกมันคิดรู้อันนี้กขดงไม่ต้องกําหนดรูปมากนะนี่ดูสมมตินึ่งปัญญาดูกมคิดสร้างจังหวะให้มากอย่าสร้างซ่าสร้างไวๆไบา้าเดินจงพอมันไ ว, ไว้อย่าไปเพ่งถ้าเพ่งมันจะมึนศีรษะปวดหัวหนักก อันนั้นมันผิดแปลว่าทําผิดพูดผิดคิดผิดนําทุกมาให้ทําถูกต้องแล้วก็คิดถูกต้องอันใดถูกต้องเนี่ยนําทุกมาให้ทําโดยไม่มันมีทุกทําสบายสบายมันคิดรู้ตายเห็นก็รู้หูฟังก็รู้มีเพื่อนมาหาเราก็เห็นก็รู้ก็คุยได้เนี่ยทำการทํางานไปตามหน้าที่แต่ไม่ใ่หน้าที่ของคนควรศึกษาให้รู้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 อันค้นอินนนั้นนะตัวเองไม่ค่อยกัดน้องนั้นทำอันนี้นะ่ะให้รู้จักสภาพวัตถุหมายถึงสิ่งของต้นไม้ภูเขาหุ่นน้องของบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นแต่ตัวเองนี่ก็เป็นวัตถุเนี่ยหน้าตาแขนขามือเท้าลูกเดือดจิตใจมันก็เป็นวัถตวถุเราเห็นวัตถุสิ่งที่ภายนอกภายในปรมาัดปรมาัดเรียกของจริงของจริงทางภายนอ ก, ข อ, นอกของจริงทางภายในอาการสภาพเปลี่ยนแปลง มีตัวของผมหรือตัวก็จะมาลู่ต้นแรลเห็นสภาพอันนี้โทสะโมหะโลภะนี่ลดน้อยจางไปทันทีเลยเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนี้ค่ะว่าขันซีเวทนาลูกขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเขาเรียกว่าขันห้าลูกห้าขันซีแบบนี้ เวทนาขันมันตกรูปเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นแล้วว่าขันซี่อันนี้อรูปซี่อันนี้อนยะ่ว่าเทวดาจีว่ามองไม่เห็นถ้าคนใดไม่มีตาทิพย์ผีก็เหมือนกันมองไม่เห็นคนไม่มีตาทิพย์คนมีตาทิพย์จึงเห็นจีว่ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงมีอยู่ในคนกุ้งซอกยาวานาคืบมีแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างทีเดียว แต่เราไม่ได้ศึกษาที่นี้เมื่อไม่ศึกษาที่นี่จะรู้ว่าเราเป็นคนไหมเป็นแขนขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจมันเป็นผีเพราะมันไม่ละอายในยทําพูดคิดอะไรไม่ละอายหมาเนี่ยดูญาเถอะมันอยากขี่ใส่ตะกี่ไปมันอยากเหียวจะกเหี้ยวไปถึงเวลาเซิงมันอยากเซิงกันตามถนนของทางกระเซิงไปแล้วคนเป็นายานั้นมนอยากใส่ใดไหมมันก็ใส่ไม่ได้ที่อย่างนั้นมันก็หน้าตาแขนขามือเท้าเป็นคนจิตใจมันก็เป็น ส, สัตว์านรสรีอย่างนั้นยังไง คนนี่แหละเป็นสัตราาัจฉานเนี่ยมนุษย์เดราาัจฉานมนุษย์เต ม, มนุษย์นรกมนุษย์อสุลกายทัท้งหลายบัด น, นี้คนนี่ก็เหมือนพัฒนาความเป็นคนมนุษย์ศาคูโตมนุษย์ศาสตร์เทวมนุษย์นี่เองเป็นเทวดานี่วที่สุโขเรียวเป็นพระเดียบุคคลพระไม่ได้หมายถึงอันนี้นะอันนี้มันเป็นสมมุตินั่นบวญแล้ว ก, ก็ศึกศึกแล้วขบวชถามหลวงคอ หลวงพอบ่มาจากเธอแล้วครับบ่นแล้วสึกจากเธอแล้วเนี่ยสมมติเนี่ยสมมติอันนี้บแล้วก็ตึกที่แล้ว่ไเปล่าไปไม่ไปทำไมบุญที่ถรงนี้นี่ ใจมันเป็นไม่ใช่ตัวคนเป็นเจริงวะเข้าถึงธรรมะยังเข้าถึงจิตใจเอามือมาเกี้ยวผมดึงผมออกมาโอ้ผมยาวเขานะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเลยนุ่งกางเกงนี่นะก็เป็นโอ้เป็นพระได้แดนบันนี้เนี่ยมันเขาใหญ่จังจร่งว่านี่แหละเป็นปรมาตย์ปรมัตย์เร็วของจริงเป็นผู้หญิงก็เป็นพระได้เป็นผู้ชายก็เป็นพระได้เป็นพระสงฆองค์หนึ่งก็เป็นพระได้ถือศาสนาใด นุ่งผ้าเสียอะไรก็เป็นพระได้ถ้าเดินทางถูกถ้าเดินไม่ถูกก็ไม่ถึงเป็นไม่ได้เราจะไปติดตั้งแตตสมมุติหนึ่งผ้าพุทธไม่ใช่ทองคํานึ่ง้าธรรมไม่ใช่บรลลันลูกสาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์พ่อแม่โหลานทันสนผ้าพุทธไม่ใช่ทองคํานะเราล่อผ้าทองคําอันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าผ้าธรรมคือตัวหนังสือเนี่ยเราไปกาไปแวดขาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เป็นพระธรร บวชลูกสาวบ้านเนี่ยเป็นพระสงองค์เนรมันมันนั้นไม่ใช่พระสงฆ์เป็นเพียงสมุททนั่นเองถ้าพูดอย่างนี้พระสงฆ์มู่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพระนุ่มนน้อยอาจจะเครียดออผมก็เป็นเนนเนี่เป็นท่านเนนแป็ว่าเล่าคอถ้าไม่เป็นเล่าเป็นคอของพระพุทธเจ้าจะมาเป็นเนนทําไมเนนแป็ว่าเล่าคอเหมือนกับคอตะไคร้บ้านผมเนีหดสีไครปูกหัวเดียวมันแพร่ออกมาเป็นคออย่างไรอ้อยก็เหมือนกันปูกลําเดียวโ้องออกมาเป็นหลายลำออนมากล้วยก็เหมือนกัน มันเป็นกอเดียวพันมันจะเป็นยังไงมันเป็นพันใดพันนด่นจิว๋วเนรต้องไปว่นเราขอสมมาเนนกับสัมณนะสัมณะเปรียบพูทธองบเยมั น, นะน yeah. ท่านทําไมเนี่ยท่านทีทเดียวเป็นกอใช่ไหมอันนี้แหละนาธรรมะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่า สมควรแล้วมางานในเทียนมาทําบุญหาในเทียนวันนี้ก็เลยเข้ามาแวะสานักนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังการปฏิบัติธรรมะ ต, ต้องเข้าถึงตัวเราจริงๆจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาสว่างสงบ เคารพคนอื่นร้อยครั้งพันผลสู้เคารพตัวเองครั้งเดียวไม่ได้ไท่นบอย่างนั้นอย่างนั้นเอาสนาคนอื่นก็เหมือนกันไม่มีประย